แนะนำบทอันนัดบทอันนัดเป็นบทมักกิยาะมีหกสิบสององค์การที่พิจารณาเกี่ยวกับสารโดยทั่วทวไปและเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและวันขีดมะเช่นเดียวกับบทมักกิยาะอื่นๆบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงเรื่องของอัลมิยรอตซึ่งนับได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของท่านรอซูลแห่งมนุษยชาติมุฮัมมัดสลลัลละเวัลสลัในการ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 และหญิงยะโสไม่ยอมรับสัจธรรมที่มัวมัดสลลล้ออะไรวัดสลัมนำมาเผยแผ่ด้วยพระนามของ a l ล a อผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, นนมอขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันตกลงม า, มา สหายของพวกเจ้าคือมูฮัมหมัดไม่ได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิดและเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์อัลกรุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมา ผู้ทรงพลังคือยิบรออีนได้สอนเข า, รราผู้ทรงพลังอันแข็งแรงดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริงาามมขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่งแล้วเขาได้เข้ามากล้ะาใกล้ขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่งแล้วเขาได้เข้ามาใกล้และเข้ามาใกล้จนด เขาเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะของปลายคันธนูทั้งสองหรือใกล้กว่านั้นอีกอออ ด, อดังนั้นเขายิบรอยอีนจึงนำมาให้แก่บ่าวของโปรงซึ่งสิ่งที่เขานำเป็นองค์การม า, มา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 ณที่ต้นพุทธาอันไกลโพน้นณนนที่นั้นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่พรมนักาาขณะนั้นสิ่งที่ปกคลุมแสงประกายได้ปกคลุมต้นพุทธา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 สำหรับพวกเจ้ามีเพศชายและสำหรับพระองค์ให้เพศหญิงกระนั้นหรือ ด, ดูสินั่นเป็นการแบ่งส่วนที่ม่ยุทติธรรมเลยออออิินล่าสสมมมทห أسماء سميتها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إيتبعون إلا الضن وما ت ه و ى ا ل أ ن ف ُ س ولقد جاءهم من ربهم الهداة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 إن ان หรือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถน า, ลลาอำนาจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอทั้งในประโลกและโลกนี้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 แท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันประโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมลายกาเป็นเพศหญิง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 และสงตอบ่ทนบรรดาผู้กระทำความดีด้วยความดี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 ส่่วนทีเหลื อ, อ, อลลเขามีความรู้ในสิ่งเร้นลับกระนั้นหรือเขาจึงได้เห็นหรือว่าเขาไม่ได้รับข่าวคราวที่มีอยู่ในคำพีของมูซ า, ลาและในคำพีของอิบราฮีม ค่่ซึงงปฏิิบบัตัตตาาามสญญอย ร, รวนอว่าจะไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้วา และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นหนไม่ช้าและเขาจะรับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วนว และแท้จริงจุดหมายปลายทางของเขาย่อมไปสู่พระผู้พิบานของเจ้าและแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทาให้หัวเราะและทรงทาให้ร้องไห้และแท้จริงพระองค์ผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เป็นและแท้จริงพระองค์ผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เป็น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 และยังไม่ร้องไห้และพวกเจ้ายังคงหลงระเริงลืมตัวดังนั้นพวกเจ้าจงกราบต่ออัลลอฮ์และจงคารพบพักดีต่อพระองค์เถิด